أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, و و ص ل و س ل م على نبينا محمدٍ على آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 รับบาร ا อ ل ตินาหมิลล์ดุนคาระมะต์นัวฮีเลนาะมินอัมรนะราาอัลฮะมดุลลอฮฺชูกรตะอัลลอฮฺซุบฮฺฮานะฮฺตะลาวันนี้คืนนี้นะครับเป็นวัน คืนที่หนึ่งของเดือน ش ะบานแล้วอัลลอฮ์ถ้าตามปฏิทินอุ ม, มุลกุรอานของสำนักจุลาน่าจะช้ากว่าวันหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามวันเวลาผ่านไปเร็วมากนะครับอีกเดอนก็คือเดือน ร, รมดอนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับการเรียนของเราก็อัลลอฮ์ เหลืออีกสักไม่เกินสองเหลืออีกนิดหนึ่งอาจจะจบในคราบหน้าหรืออาจจะเหลือนิดหน่อยอาจจะสักสองอีกสักสองนะครับขอรับ <c oughs> แลวเราก็จะได้มีเวลาเตรียมตัวในการต้อนรับเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่ <c oughs> เดี๋ยวสัปดาห์ที่เหลือพี่น้องลองหารือดูนะครับว่าเรามีเวลาเหลือสักหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก่อนถึงรอมฎอน อาจจะมาคุยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรอมาดอนโดยตรงสักเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการเตรียมตัวก็ได้อินชาอัลลอฮฺ س ب า ا ن ه และ تعالى วันนี้สุรัตุซาบะเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายะที่40อ่านสัก5อายะทันนะครับ5หรือ6อายะ ตับสิทธ์สักห้าหรือหกอายัดนะครับ อ, อ, อ่านอ่านเฉพาะอ่านเนี่ยสักสามอายัดก็ได้เพราะอายัดยาวๆอายัดที่สี่สิบนะครับหน้าหนึ่งศูนย์เจ็ดแปด أ ع و ذ ب الله من الشيطان الرجيم و ي و م يحشرهم جميعا ثم يقول َُُ للملاكَ َ أهؤلاء َ إياكم ك วกท่านก็เป็นคนที่พวกเขาบูชาพวกเขาพูดว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองครอ بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ض ر ا ونقول للذين ظلموا ดูขู่ ا ب ا าบันนารดูขู่อาญาบ ن นนารที่คุณตุมบีฮ ริบุน alhamdulillah ม, มาช่า Allah นะ ayat ต์ในสุรทูสับ a อย่างที่เราได้เรียนมาตั้งแต่ต้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ การตรึกหรือการยืนยันในเรื่องของหลักความเชื่อที่เกี่ยวกับวันอาคยรภ์เรียกร้องให้พวกมุชริีศรัทธาต่อวันอัคยรภ์ซึ่งบรรดาคนเหล่านี้ปฏิเสธและหาข้ออ้างต่างๆนานามากมายในจำนวนข้ออ้างของบรรดาพวกมุชริีนก็คืออัลต์ตะอลาจะลงโทษ พวกเขาได้อย่างไรในวันอาคิรอะทางทางที่พระองค์ให้ทรัพย์สินและลูกหลานแก่พวกเขาในดล น, นี้มากมายเอาข้ออ้างเอาข้ออ้างว่าตอนที่ตัวเองมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี่อยู่สุขสบายมีมีหลานมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายอาลัลลหฮฺทัลลาให้มาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆพระองค์จะลงโทษได้ยังไงอะ ทำไมพระองค์ให้ในโลกนี้เราจะไปลงโทษเราในวันอัคราเอาดุนี้เอาความสบายในโลกนี้ไปบอกว่าพอถึงวันอัคราก็จะสบายอีกอาตาราก็ให้ท่านนาบีตอบโต้คนเหล่านี้ว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันในโลก น, นี้คนที่ศรัทธาหรือคนที่ไม่ศรัทธาอาจจะรวยอาจ จ, อาจจะมีทรัพย์สิน อาจจะมีลูกหลานแต่ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่อัลลอ์รักคนคนนั้นจะรอดปลอดภัยในวันอาคิีรบางทีเราเห็นคนที่ไม่ศรัทธาในโลกดุนยานี้มีสิ่งของต่างๆทรัพย์สินต่างๆนานามากมายเหลือเกินแต่เปล่าเลยนะครับทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่พวกเขาในวันอาคิีรอ สิ่งที่มีประโยชน์ในวันอัคิีรักษ์ก็คืออิมันและอัมล صالح เราได้อธิบายเอาไว้ในอายะทก่อนหน้านี้ซึ่งเราเรียนไปแล้วในที่บอกว่าว่ามั่วัลุคุม والأولاد ุคุม بالتي تقربكم عندنا زلفا เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าสุรษะเนี่ยจะพูดถึงสภาพของวันกิยามัตทั้งสิ้นจะเรียกร้องให้มนุษย์เนี่ยศรัทธาถึงวันกิยามัตและบรรดามุชลิกินก็พยายามที่จะไม่ศรัทธาและพยายามหาข้ออ้าง มาถึงวันนี้จะเป็นอีกภาพหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรติมรดกไม่ศรัทธาก็ต้องบอกเข้าใจไหมครับไม่เชื่อว่าวันอัคคีรอห์มีจริงแต่หน้าที่ของ Allah, ของัลลอฮ์หน้าที่ของรับุสลหน้าที่ของอัลกุรอานหน้าที่ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุซัยลาลห์ใครจะเชื่อไม่เชื่อเราต้องบอกหน้าที่ของเราคือต้องบอกหน้าที่ของเขาเชื่อหรือไม่เชื่อหมดแล้ว หมดภาระความจำเป็นของคนที่เป็นผู้บอกกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นพวกมุชลิกินไม่เชื่อแต่ท่านนับีก็ต้องบอกเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานอตะอัลายังไงอีกภาพหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในวันเกียรมัตแม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่เชื่อก็ต้องบอกให้พวกเขารู้วายมัย์ชุรุฮมจะมีะวันที่พระองค์จะรวบรวมตอนพัชรอัลพัชร ก็คือการต้อนการรวมตัวย่าชูโฮมเจมีอาก็แต่ะราจะรวบรวมพวกเขาทั้งหมดในวันกียรติเนี่ยแล้วพระองค์ก็จะพูดกับมลลกซุมมายูลุลิลมลกพระองค์จะพูดกับมลลกัดว่าอย่างไงอาฮาอุอยาคุมคนที่ عبد ุนยกลุลลิลมลกะอัลฮบันเกิเนี่ย ไม่ได้จัดตำหนิมล า, ายกัดแต่ตำหนิคนที่กราบไหว้มล า, ายกดถามมล า, ายกดว่าเจ้าเนี่ยเป็นคนสั่งให้คนเหล่านี้มาเคารพบูชาพวกเจ้าใช่ไหมเข้าใจไหมครับสุภาษิตไทยว่าอย่างไงตีอะไรนะตีวัวกระทบคราดได้ไหม ไ ม, ไมไ่ไม่ได้จะตําหนิมาลาอิกัสแต่จะตําหนิใครตําหนิพวกที่ชิริกนี่แหละนะเนี่ยจะลองถามมาลาอิกัสดูที่พวกเจ้าบูชานักบูชานะเพราะว่าพวกมุสลินเนี่ยบางส่วนจากพวกมุสลินอาหรับบางเผ่าเนี่ยจะเคารพมาลาอิกัสและแน่นอนว่ามนุษย์บางความเชื่อที่เชื่อว่ามีเทพนู้นเทพนี้ ลักษณะคล้ายๆกับคนที่มีความเชื่อในการเคารพพักดียมาละอิกัดนั่นแหละเราจะถามมาละอิกัดว่าพวกเจ้าไปสอนมนุษย์ให้มาเคารพพักดีตัวของพวกเจ้าใช่ไหมเหมือนกับที่เาลาจะถามท่านอบดอ้ซาอะลัยฮิสซลามเช่นเดียวกันเาลาจะทานา่นถามท่านอบดอีซะว่อ้ซะเจ้าสั่งให้พวกนัสซรอนี้มาเคารพ บ, บูชาพวกเจ้ากับแม่ของเจ้าใช่ไหมนะครับนี่คือคําถาม ไม่ได้จะทำหนิอีสาไม่ได้จะทำหนิ้มลายกัสแต่เป็นคำถามที่มุ่งเป้าไปยังบรรดาคนที่ชีริกต่ออีสสหรือคนที่ชีริกต่อเหล่ามลายกัสเหล่านี้อาฮะอุลัยอิยาตุมแคโนยับบุดุมมลายกัสก็จะบอกว่าไม่ใช่น่าจะบอกปัดความรับผิดชอบดูคําตอบของมลายกัสให้ดีนะครับ سبحان อัลลอฮ์เนี่ยคำตอบของมลายกัส “อัลลอฮฺ” س ب บ ا ن ัค س ب ัลลอฮนี่คือคำตอบที่พี่น้องใช้น้องลองสังเกตดูนะมลากไม่ได้ตอบว่าไม่เริ่มต้นคำตอบของมลายกัตเนี่ยใช้คำว่าอะไร“สุบฮานัค”สุบฮานัก็คือสุบฮานอัลลอฮแปลว่าอะไรสุบฮานอัลลอฮฺสุบฮานัคพระองค์ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง พระองค์ทรงไม่เกี่ยวข้องกับความเละเทะของมนุษย์ที่มีพฤติกรรมแบบนี้สุภาพนักเนี่ยเป็นการเอาอัลลอฮ์เอาสิ่งที่สิ่งที่มันสกปรกสิ่งที่มันไม่คู่ควรสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยให้ออกห่างไกลอย่าเอามาเกี่ยวข้องกับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สุบฮะเวลาทุกครั้งเวลาที่เราพูดสุบฮานอัลลอฮ์สุบฮานอัลลอฮ์ก็คือการที่เรา ยืนยันในความบริสุทธิ์ของ Allah سبحانه และ ت ع า ل าต่อชิริกต่อคโรอฟาตหรือต่ออะไรต่อความเชื่อเล่เทต่างๆนั่นนะที่มนุษย์เนี่ยคิดขึ้นมาเอง سبحان Allah นั่นแหละที่เราต้องพูดอยู่เสมอ سبحان a l l a ุ سبحان Allah และสังเกตดูให้ดีคำพูดของคำของคนที่พูดออกมาว่า سبحان Allah โดยปกติแล้วเราจะพูด سبحان Allah ตอนไหนตอนที่เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจุ سبحان Allah หรือเจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องสุบฮานัลลอฮเจอที่มันไม่เหมาะสมสุบฮานัลลอฮ์เจอคนที่มีนิสัยไม่ดีสุบฮานัลลอฮะเจอคําพูดที่ไม่ดีใครที่พูดใส่เราไม่ดีพูดด่าเราพูดอะไรแล้วสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์เพราะว่ามลลัยกัสจะพูดอย่างนี้เหมือนกับ ala, อัลลอฮฺตะอลาอะอะไรนะถามมลลัยกัสว่าไหนพวกเจ้าบอกว่า คัดค้านคําสั่งเราไม่ให้มนุษย์มาปกครองแผ่นดินนะตอนที่อัลอลอฮฺแต่ละสร้างอาดัมใช่ไหมครับแล้วก็ส่งให้อาดัมมาอยู่ในโลกดุนยาจะให้มาปกครองแผ่นดินมาเลย์กัดก็ค้านว่าพระองค์จะส่งมนุษย์ที่จะมาลังเลือดบนหน้าแผ่นดินหรืออัลลอฮฺแต่ละก็สั่งให้อาดัมอะไรนะไม่ใช่สั่งให้อาดัมสิถามมาเลย์กัดกลับไปไหนลองบอกมาสิชื่อนี้ชื่อนี้อะไรยังไงมาเลย์กัดตอบไม่ได้ ต um ั้ว่ายัง سبحانك อัลลอซฺอลออันนี้คือคาพูดเวลาที่เราต้องเวลาเวลาไหนบ้างที่เราใช้คาว่า سبحان อ ل ل ه เวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเจอสิ่งที่เราไม่ไม่เหมาะไม่ควรไม่เหมาะสม سبحان الله คาว่า سبحان الله ช้ในกรณีแบนี้ เช่นเดียวกันนะตอนที่เราแต่และถามอะไรกันว่าพวกเจ้าสอนให้มนุษย์มาเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกจากฉันใช่ไหมอะไรกันก็ต่อไปอัลสุบฮานะเป็นไปไม่ได้มหาบริซุทธิย์อัลลอฮฺสุบฮานะเวาะเตาละอันตะวะลียูนามินดูนีหิมพระองค์นเนี่ยเป็นวะลีเป็นผู้ที่เราพึ่งพิงเป็นผู้ที่ดูแลเราเป็นวะลีของพวกเราไม่ใช่พวกเขาแล้วเราจะให้สั่งให้คนเหล่านี้เนี่ย Nama k h a u p ibadah raudah yang r a i n n i t b e r s i r w a yang l a i q a l u Subhanak ay tanzihan lakaw t a q d i s a an yakuna l a k a s y a r i d a a u n i d Mahabrisur ing Allah taala kita mihudaimatiap kian g penpakii kapraom, um. antawali y u n a m i n d u n i h i m ay antallinwalihim a indunihim r a u i a เราเคารพบูชา Allah subhanahu wa taala เราอิบัตต์ต่อ a l l a ล subhanahu wa taala เพียงพระองค์เดียวแล้วเราจะสั่งให้คนอื่นมาเคารพเราได้ยังไงเราเนี่ยเป็นคนที่มีเตาฮีตมล้อีกครับอกกับ Allah taala ว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีเตาฮีตต่อพระองค์แล้วเราจะสั่งให้คนอื่นมาชีริกได้ยังไงเข้าใจไหมครับเราเนี่ยคือผู้แรกที่มีเตาฮีตแล้วคนที่มีเตาฮีตเนี่ยจะไปสั่งให้คนอื่นชีริกได้หรือเป็นไปไม่ได้ ถ้าเราเป็นคนเลวแล้วไปสอนให้คนอื่นเลวอันนี้บอกว่าไปอย่างในเมลยัยคัตไม่ใช่คนเลวไม่ใช่คนที่ชีริกแล้วจะไปสั่งให้มนุษย์ชีริกได้ยังไงเมลัยเอกัตเป็นผู้ที่มีเตาฮีดมั่นคงต่อรัศมานรตะอะไรยิ่งกว่าใครๆแล้วจะไปสั่งให้คนอื่นมาชีริกต่อพระองค์ได้หรือนะเพราะฉะนั้นนี่คือคำนี่คื อ, อคําพูดที่ว่าอันเทวลียูนามินดูนิหิมพระองค์คือผู้ที่พวกเรามอบ พวกเราขอความคุ้มครองพวกเรายึดถือพวกเรายึดโยองอยู่แล้วเราจะให้คนอื่นมาชีริกกับเราได้อย่างไรลไา า, วาวนนมเวเรเน่ต้อ ง, ง, องแล้วเราจะบอกให้มนุษย์มาพึ่งเราอ่ะขนาดเรายังยังต้องพึ่งอัลลอฮ์หะแล้วเราจะไปให้ความช่วยเหลือใครได้เราไม่มีอำนาจนี่คือคำตอบที่แท้จริงนะครับ ฟังไ ن, ن, ن, ل ل ن َนเดือกง่ายรนَ่อีِาَีบบัดติน่าสุขานُัลลอฮ์อั ل คีฟนِ أ َิْ์َันนุสลิฮ์เลอันนุทَชซ์มินดูนิกอุลีย์วَุระกับนคำตัวบทมลายกดบวกกับ allah, allah, วะร้านนี่เป็นผูต่ออนแอรานี่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระองค์เราจะไปให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงในเมื่อตัวเราเองเนี่ยยังต้องการความคุ้มครองต่ออัลลอ์แล้วเราจะไปบอกให้คนอื่นมายึดเราเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาได้ยังไง سبحان الله سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن แล้วเมลัยกัดก็บอกว่าอันที่จริงแล้วคนเหล่านี้บูชาจินิบัตต่อจินไม่ได้ิบัตต่อเราคาว่าิบัตต่อจินตรงนี้เนี่ยหมายถึงอาจจะไม่ได้ไปก้มเงยหรือกราบต่อหน้าจิน ไอพวกที่ชริกเนี่ยพวกเนี่ยไอพวกมุชริกีนเนี่ยพวกมุชริกินเนี่ยไม่ได้ไปไหวยินแบบตรงๆงไม่ใช่ว่าเอา้าเอาจินมาแล้วก็ไม่ใช่นําซ้ํารูปปั้นต่างๆที่เขาที่พวกมุชริกินในสมัยมักกะทำเนี่ยเป็นชื่อคนคนดีทั้งนั้นเลยเป็นชื่อมาละอิกัสเป็นชื่อวาลีเป็นชื่อบรรดาคนซอเลอีนเป็นคนดีมีคุณธรรมไม่ใช่คนเลวนะ แต่ว่าไปวาดรูปว่าแล้วก็เคารพแต่ Allah ะ, ะมาลายกาศบอกว่าคนเหล่านี้กำลังบูชาจินหมายถึงยังไงไม่ได้บูชาจินตรงๆบูชารูปปั้นที่ไม่ใช่จินแต่มาลายกาศบอกว่าคนเหล่านี้บูชาจินอิบาตดัตต่อจินนักกัปศีร์อธิบายว่าคำว่าอิบาดัตต่อจินตรงนี้หมายถึงเชื่อฟังจินและชัยตอน ชัยตอนเป็นผู้สั่งให้มนุษย์ทำรูปปั้นขึ้นมามนุษย์ก็ทำนี่แหละคือการอิบาดาัตต่อจินการเชื่อฟังเท่ากับการอิบาดาัตในสมัยนบีนูใครที่มาสั่งให้พวกยุคในสมัยนบีนูเ น, น, นีย่ยไปแกะสลักรูปผ้ารูปแล้วก็ไปตั้งตามจุดต่างๆที่วัดสวายาหูสยาบุนัสเตนี่เป็นชื่อ บรรดาซอเลฮีในสมัยนบีน้ห้าคนเหมือนพวกเราที่นั่งอะบางก็ริมนั่งตรงนี้นั่งนั่งคนละมุมคนละมมคนละมมกันอ่ะเป็นคนดีพอตายไปอ้าวลูกหลานอยากจะรำลึกถึงคนดีๆที่ที่เคยมานั่งอยู่ในสุราอ่ะนชัยตอนก็เลยมาบอกว่าอยากเานึกถึงนึกถึงคนนี้ใช่ไหมอ้าวแกะสลักรูปสักคนหนึ่งเอามาตั้งไว้มมนี้แล้วตั้งชื่อเหมือนกับ คนที่เคยนั่งตรงนี้แกะสลักไม้อีกตัวหนึ่งตั้งตรงนี้แล้วตั้งชื่อเหมือนกับคนที่เคยนั่งตรงนี้เป็นคนดีทั้งหมดเลยแต่มาเป่าหูอ้ า, อานึกถึงใช่ไหมคิดถึงใช่ไหมทำตัวแทนขึ้นมาเป็นไม้ก็ดีเป็นปูนก็ดีแล้วเอามาตั้งมาตั้งมาตั้งมาตั้งๆแล้วก็พอเวล า, าผ่านไปผ่านไปจากเดิมที่เป็นแค่รูปที่ระลึก เริ่มพัฒนามาเป็นมีความลําบากประสบกับโชคร้ายเอามาขอมาขอสิมาขอจากตรงนั้นมาขอจากตรงนี้ใครเป็นผู้สั่งอลัลลอฮฺไม่ได้สั่งใครเป็นคนที่มาเป่าหูชัยตอนจินมาเป่าเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มาไหวเนี่ยไม่ได้มาไหวชัยต้อนแต่ปฏิบัติตามคําสั่งของชัยตอน มล า, ายคัตก็เลยบอกว่าเบลกกนูยับดูนัลจินคนเหล่านี้อิบัตดต่อจินหรือต่อชัยตอนเพราะเชื่อฟังคำสั่งของมันในสมัยท่านนาบีสลานออดีตคนที่เคยเป็นยิวอดีตคนที่เคยเป็นยิวสหฮาบะฮ์ที่เคยเป็นยิวและมารับอิสลามเนี่ยท่านนาบีบอกว่ามีอายะห์ในอัลกุรอานที่พูดถึง อันอตถั่มานฮ์มอัรบับะมินดูนอลนอาสุรทศต้วบะละตะลาบอกว่าพวกยวพวกอลลอฮ์คิดาบเนี่ยเอานักบวชเอาพวกที่เป็นนักบวชในศาสนาของพวกเขาเนี่ยเป็นพระเจ้าทีนี้อดีตคนที่เป็นชาวยูเนี่ยก็เลยค้านท่านบีไม่นะไม่มีนะ เราไม่เคยเอานักบวชของเรามาเป็นพระเจ้านะแล้วท่านน บ, บีก็ถามว่าแล้วพวกเจ้าเชื่อฟังนักบวชที่พวกนักบวชของพวกเจ้าไหมล่ะเวลาที่นักบวชของพวกเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ฮาลาลพวกเจ้าก็ว่าฮาลาลเวล า, ท, า, ท, า, ท, าที่นักบวชของเจ้าบอกว่าสิ่งนี้ฮารอมเจ้าก็ว่าฮารอมทั้งทั้งเจ้าและอะไรไม่เคยพูดไม่เคยว่าอะไรเลยพวกเจ้าตามกันหมดใช่ไหมซาบะคนนั้นก็บอกว่าใช่เราเชื่อฟังนักบวชของเราจรงิจรงๆ ท่านดีก็เลยบอกว่านี่แหละคือการเอานักบวชมาเป็นมาเป็นพระเจ้าก็ เ, าเชื่อฟังเพราะฉะนั้นระวังให้ดีหนึ่งในจำนวนสิ่งที่ทำให้คนคนหนึ่งอาจจะเข้าใคายอิบาดัดก็คือการเชื่อยอย่างไม่ลืมหูลืมตาเหมือนกับที่มนุษย์เชื่อชัยตอนแล้วไปเคารพพักดีอะไรก็ไม่รู้สุบฮานัลลอัน์นี้คือความหมายของมัน แตไม่ได้แปลว่ามนุษย์ไปกราบไหว้จิตพระบางทีไม่มีหรอกมนุษย์ที่อยู่ดีๆจะไปไหว้ชัตอนไปยึดเอาชัตอนเป็นพระเจ้าเพราะมนุษย์กับชัตอนกับมารร้ายเนี่ยไม่มีใครยอมรับใครอยู่แล้วจะชั่วจะร้ายยังไงก็ไม่เอามารร้ายมาเป็นพระเจ้าของตัวเองหรอกแต่ไปยึดอย่างอื่นที่ชัตอนนี่แหละชักจูงให้มนุษย์ไปกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นความหมายเดียวกันกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เท่ากับ ย عبدون الجن ليعبدون الشيطان نعوذ بالله عن ذلك أي الشياطين فمشريني ق ك إبادة شيطان يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرنا فيطيعونهم بذلك وطاعتهم هي عبادتهم الإمام السعدي เราบอกว่าการเชื่อฟังชัยตอนก็คือการอิบดตต่อชัยตอนเพราะฉะนั้นระวังให้ดีอนั้ละอิบบดะตาะะลีนะด้เพราะว่าการอิบบัดะก็คือการต้าะนั่นเองนะอุุบิลละอักษรุมบิฮิมมุอมินุนมนุษย์วนใ่นั้นเชื่อในอำนาจของจินหรือชัยตอน Ā. Ā, อย่าบูดูนัลยาบูดูนัลจินลลสัตธานะอิบาดัตต่อจินต่อชัยตอนและส่วนใหญ่ของพวกเขาก็คือส ah ัตธาต่อชัยตอนละาลและลกตอิลาิลลปัจจุบันนี้มันจะมีลทัทธิหนึ่งลัทธิที่พยายามจะทำตัวตรงกันข้ามกับพระเจ้าอันนี้ไม่มีไม่ใช่ในอิสลามนะพวกตะวันตกเอง มันจาที่ที่มีความรู้สึกมีมีความเชื่อในความคิดของพวกนี้ก็คือว่าทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะชนะพระเจ้าได้ก็คือต้องเป็นพวกต้องเป็นพวกชัยตอนแนะต้องเป็นพวกชัยตอนต้องให้ชายตอนเอาตัวเองเป็นเป็นสมุนให้ได้แล้วก็เมื่อตัวเองเป็นสมุนชายตอนแล้วเป็นยังไงก็จะไปสู้กับไปสู้กับพระเจ้าละฮอัลลาฮฺวะซัลลัลลอฮฺละทิบูชาชยตอน أكثرهم بهم مؤمنون الله سبحانه a ت ع ا ل a บอกว่า "فاليوم لا يملك بعضكم لبعض النفع ولا ضرر" เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเจ้าแต่ละคนบางคนในหมูพวกเจ้าไม่มีอำนาจที่จะให้คุณและให้โทษซึ่งกันและกันมาละกัดก็ช่วยมนุษย์ไม่ได้ชัตอนก็ช่วยบรรดาผู้ที่เขาระบูชาตัวเองไม่ได้ ระหว่างมนุษย์ด e ้วยกันก็ช่วยเหลือไม่ได้ไม่มีใครที่สามารถช่วยเหลือใครได้เลยวะน้ากูลุลลลีน ل โมเราก็จะกลาวกับบรรดาผู้ที่ซาลิมก็คือผู้ที่ชริกอัลจลโมซาลิมต่อตัวเองตรงนี้ก็คือการชริกต่ออัลลอฮฺาอัลอินชาอัลอนชลลอฮอินัลอฮฺาลนอนลานอนลอัอา ลาตูชริกบิลลาลาตูชริกบิลลาลูกมานสอนลูกะยาชริกกับอัลล์นะลูกนะอนนชิริกะลา ظل منعظيم แกนชริกต่ออัลลอฮ์น้นเป็นการอธรรมที่ใหญ่วมัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัิ้นั้ัลลิกบรรดาผู้นั้ัลริ้นั้ัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัลลิ้นต้ัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัลลิ้นั้ัลูกูอัซัลลินา้ัลลิ้มลอง การลงโทษในนรกทีกุทุมบิไทุกขิบุไปนรกที่พวกเจ้าเคยปฏิเสธมันในโลกดุนยานี่เป็นข้อแท็จริงที่อัลกุรอานยืนยันอย่างไรข้อสงสัยไม่มีข้อคลุมเคลือในเรื่องนี้คนที่ชริก คนที่เขาลบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ سبحانه ละในโลกดุนยาพวกเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ระถึงวันอาคิราะพวกเขานีไม่พน้นการลงโทษของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ح ا ن อัลลอฮ์มุชริกีในสมัยของท่านนบีปฏิเสธและมุชริกีในสมัยของเราเป็นยังไงเหมือนกันไหม นะดูสภาพมุสลิกีในสมัยของท่านนาบีแล้วมาเปรียบเทียบดูว่ามุชลิกีในสมัยเราเหมือนกันหรือเปล่ามุชลิกีในสมัยของท่านนาบีเนี่ยพูดยังไงเวลาที่บอกเล่าเรื่องเหล่านี้เนีย่ยตอบโต้อย่างไงกลับมาว่าอิุตลอลัยฮิมอายาตนนแลวเมื่อมีองค์การของเราถูกอ่านแก่พวกเขาอย่างชัดเจน ท่านนบีลล an ัลลอฮุซานอัลกุรอานให้ฟังอ่านวาหิュขาลตัลให้ฟังว่าวันอัครัดเป็นอย่างนี้คนที่ชีริกจะเป็นอย่างนี้คนที่ศรัทธาจะเป็นอย่างนี้ก็ูพวกเขาก็จะกล่าวตอบมาว่ามาอิลลารจุลยูริดอันยสุดดะุมะมกานยุอาบะอุุพวกเขานั้นจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่ใครอื่นกล่าวกับท่านนบีมุฮัมมัด นอกจากเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ปรารถนาจะยับยั้งพวกท่านจากการจากการอ่านี่แปลกนิดนึงแปลความหมายอาจจะงง ง, งนิดหนึ่งนะจากการที่บรรพบุรุษของพวกท่านได้เคารพพักดีมาก่อนจริงๆอาจจะต้องแปลอย่างนี้นะนอกจากชายคนหนึ่งที่ปรารถนาจะยับยั้งพวกท่านจากการเคารพพักดีสิ่งที่บรรพบุรุษ เคยเคารบพักดีมาก่อนนี่กล่าวหาท่านนาบีว่าท่านนาบีตอนที่ท่านนาบีมาบอกให้ศรัทธาต่อ Allah ศรัทธาต่วอวันกิยามต์พวกมุชลิกนอ้างว่าท่านนาบีข้อที่หนึง่งมีสมข้อกล่าวหาตรงนี้ข้อกล่าวหาที่หนึ่งก็คือท่านนาบีต้องการที่จะมายับยั้งไม่ให้พวกเขาเคารพบูชาตามประเพณีของปู่ย่าตายาย ไอ้ท oh, yeah, ี่เราเคารพพัก hmm. ดีสามร้อยหสิตัวรอบๆกะบ้านนี่เราทามานานแล้วปู่ย่าตายายของเราทำไม่รู้กี่ยุคสมัยมาแล้วแล้วอยู่ดีๆมุฮัมมัดจะมาห้ามเราไม่ให้ทาเหมือนกับบรรพบุรุษของเราใช่ไหมอันนี้คือข้อกระทำที่หนึ่งมาฮาอิลลาอิฟุมมุฟตารวาลูมาฮาะอิลลาอิฟุมมุฟตารนี่คือข้อกาวหาที่สอง าเขาจะกล่าวว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเท็จที่ถูกอุปโลกขึ้นมาท่นานอบียเนี่ยกุเรื่องขึ้นมาไม่ได้มาจากอ AH. ัลลอฮ์นะไม่ได้เป็นวาโยมาจากไหนหรอกอามัดมันคิดขึ้นของมันเองแล้วมันก็เอามาพูดกับเรามาสั่งเราเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงข้อที่สองเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องที่คิดขึ้นมาเองแล้วบอกว่าเราต่ลาพูดแล้วบอกว่าเราต่ลาสั่งจริงๆไม่ใช่ لا حول ولا قوة إلا بالله อันนี้คือข้อกล่าวหาที่สองแต่แม้ว่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่หนึ่งข้อกล่าวหาที่สองยังมีคนไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่มุชรินฟังอัลกุรอานเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นเรื่องโกหกเพราะอะไรเพราะท่านนาบีไม่เคยพูดโกหก แล้วอยู่ดีๆพวกมุชริกินมาอ้างว่าท่านอามีเป็นคนโกหกมันดูทานกันเองอะ่ะเพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครพูดเลยนะว่ามูฮัมหมัดโกหกแล้วพอมูฮัมหมัดอ่านอัลกุรอานให้ฟังกลับมาพูดว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดโกหกมันฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่มีสติปัญญาบรร ด, ด์คนที่มีใจบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะไม่ฟังคําพูดนี้อาจจะไม่ฟังข้อกล่าวอ้างนี้ต้องมีข้อกล่าวอ้างสุดท้าย เพราะคำพูดของมุฮัมมัดไม่ใช่สิ่งโกหกถ้าไม่ใช่สิ่งโกหกแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกประหลาดเพราะว่าฟังแล้วมันเข้าหูมากเลยอะฟังแล้วมันมีอิทธิพลถึงหัวใจอะอัลกุรอานเนี่ยเวลาที่พวกมุชลิมีฟังเนี่ยต้องนิ่งแบบตั้งใจฟังมากมากเพราะว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนไม่ใช่คำพูดโกหก ยู you, รู้อยู่แก่ใจในใจลึกๆเนี่ยคนเหล่านี้รู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่คำพูดเ็จหรือที่อุปโลกขึ้นมาแน่นอนแล้วตกลงมันเะป็นอะไรนจะหลอกชาวบ้านว่ายังไงนะถ้าบอกว่ามุฮัมมัดโกหกชาวบ้านไม่เชื่อเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนตัวมหฮัมมัดไม่เคยโกหกข้อกล่าวหาอันที่สองเนี่ยดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเพราะฉะนั้น ต้องมีค <subtract> ้อกล่าวหาอันสุบท้าย وقال ا ل น ي ن ك ف ر و ล للحق ل า ا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إ ذ ا ม ن كافر คุปฏิเธศสัตยาจะกล่าวกับสัจธรรมเมื่อมันได้มาถึงพวกเขาว่าอิน هذا إلا سحر مبين ทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากเป็นไสยศาสตร์เป็นเล่กล่นคำว่าสุขแปลว่าอะไรเป็นไสยศาสตร์เพราะว่าถ้าจะบอกว่ามุฮัมมัดพูดโกหกไม่ได้ชาวบ้านไม่ฟังชาวบ้านไม่เชื่อก็เลยต้องบอกว่ามุฮัมมัดกำลังเล่นกลมุฮัมมัดกำลังทําสยศาสตร์พูดออกไป มันมีแต่สยศาสตร์เท่านั้นแหละที่ทำได้อะถ้าไม่ใช่วายูก็ต้องเป็นสยศาสตร์ในเมื่อพยายามที่จะปฏิเสธว่ามันไม่ใช่วายูก็ต้องเป็นสยศาสตร์เพราะฉะนั้นง่ายๆเอาสายศาสตร์ไปยัดข้อหาให้กับมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมละอิลาฮ์อิลล allah นี่คือพฤติกรรมของพวกมุชรินในสมัยอดีตผู้ปฏิเสธศรัทธานในสมัยอดีต จะตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้กับท่านนาบีสโลลลฮอเราสัลลัลละแล้วมาดูยุคปัจจุบันเป็นยังไงมีข้อกล่าวหาอะไรบ้างต้องตามต้องตามไปดูคลิปของพี่น้องที่เขาโต้กันนะระหว่างมันมีหลายกลุ่มปัจจุบันนี้มีพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้ามีพวกหลายหลายกลุ่มมีแต่ละอยา่างินุสุบฮานัลลอฮ์นะครับละอิลาฮอิลลอฮ์ ข้อกล่าวหาแต่ละข้อแต่ละอย่างนี่จริงๆแล้วมันสอดคล้องกับ Allah เจ้าลอตตาลากล่าวถึงในอัลกุรอานของพระองค์ทั้งหมดเลยนะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราพิจารณาดูดีๆมันก็ประมาณนี้แหละมันเป็นไปได้อย่างไงอัลกุรอานจะเป็นคำภีรจากอัลลอฮฺตะอัลาได้อย่างไงพิสูจน์ได้หรือถ้าพิสูจน์ได้ไหนลองเอาหลักฐานโน่นนี่นั่นมาๆๆๆนะไม่ได้ต่างกันเลยและฮาวลาอัลาอฮฺะถะอิลลาเบลละเหมือนกับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยท่านนาบีเนี่ยวายูที่อัลตัลลาส่งมาให้กับบรรดามุชริกนเนี่ยเหมือนกับเพิ่งถูกประทานลงมาในนาทีนี้หรือวันสองวันนี้เลยเรากำลังพูดถึงเหตุการณ์เดียวกั น, นคนที่จะไม่เชื่อตอวันอาครีรัตข้ออ้างของพวกเขาไม่ได้ต่างกันมากต่างกันนิดเดียวส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้แหละเฮ้ยเป็นไปได้หรือ อ, อัลกุรอานมาจากพระเจ้าจริงหรือวันอคัครัตมีจริงหรือไหนหลักฐานดสิ ประมาณนี้ทีนี้อัลลอส์บ ب ح ا ن ه ละ ت ع ا ลาก็ให้ท่านนาบีก็ตอบกลับไปนะครับว่าพวกมุชรินเหล่านี้เนี่ยทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้กล้าพูดว่ามุฮัมมัดเนี่ยต้องการที่จะมาห้ามเราไม่ให้ปฏิบัติตามสิ่งที่บรรดาบรรพบุรุษได้เคยทำเอาไว้หรือมุฮัมมัดเนี่ยเอาคำพูดโกหกจากที่ไหนมาก็ไม่รู้หรือมุฮัมมัดเนี่ยได้เอาศยศาสตร์มา เอาเล่กลมาใช้ในการมอมเมาพวกเราวาตาลาก็เลยตอบว ah um ่าว ah ่ามาใจน่าฮุมิงคุตบินยัดรุสุน่าฮะว่ามาอาร์เลนาอิเลย์หมกับเบค์มินนดีธเราไม่ได้ประทานคำพีให้แก่พวกเขามาก่อนให้เขาได้ศึกษากันและเราไม่ได้เคยส่งรอซูลมาเป็นผู้ตักเตือนแก่พวกเขามาก่อนหมายความว่าอย่างไงไอยนนี้อันนี้เนี่ย เป็นการเตือนพวกมุชลิกีนว่ากล้าดียังไงกล้าดียังไงที่จะพูดคำพูดที่มันร้ายแรงกล่าวหาถึงขนาดนี้ใส่ตัวท่านราลลัลลอฮุอะลัยฮิซาลเอาอะไรมาอ้างอ้างว่าท่านนาบีเล่นไัยาศาสตร์เนี่ยเอาหลักฐานมาจากไหนมีหลักฐานในคัมภีร์ไหม ถ้ามีคัมภีร์ไหนเอาคัมภีร์ของพวกมุสลินมาให้ดูหน่อยสิซึ่งพวกมุสลินไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนไม่เหมือนพวกยโฮดีถ้ายโฮดีบางทีอาจจะพูดได้เพราะอะไรเพราะอาจจะมีข้อมูลในคัมภีร์เตารอรอาจจะมีข้อมูลในคัมภีร์อินจีนแล้วเอามาโต้กับท่านนบีได้แต่พวกมุสลินเอาคัมภีร์ที่ไหนมาโต้ไม่เคยมีแล้วเคยมีรอซูลมาก่อนหน้าท่านนบีไหมหลังจากท่านนบีอิสมาอินไม่เคยมี เพราะฉะนั้นเอาความกล้าดีเอาความโอหังมาจากไหนที่มากล่าวหาใส่ร้ายอย่างนี้อันนี้คือมุมที่หนึ่งมุมที่สองที่น่าคิดพวกมุชริกนแทนที่จะยอมรับอัลกุรอานที่ท่านนาบีมาอ่านให้พวกเขาฟังแทนที่จะยอมรับว่ามุฮัมมัดเป็นรอซูลของา l l a h s u b h a n a h ว wa t a a กลับปฏิเสธทาไมต้องปฏิเสธด้วยทั้งๆที่ การยอมรับอัลกุรอานการยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยผลดีจะกลับมาที่ตัวของพวกมุสลินเองนึกภาพไหมครับตัวเองไม่เคยมีคัมภีร์มาก่อนตัวเองไม่เคยมีรอซูลมาก่อนไม่เคยมีเกียรติในเรื่องของการได้รับคัมภีร์จากอ All ัลลอฮ์ไม่เคยมีเกียรติในการที่มีรอซูลในกลุ่มเผ่าของตัวเองแทนที่จะปฏิเสธจริงๆน่าจะสํานึก และขอบคุณอัลลอลามากกว่าพี่น้องเข้าใจไหมอบุหลหฮล่ะที่ปฏิเสธท่านนาบีว่าอ้ยเจ้าเป็นรอซูลได้ยังไงแทนที่จะปฏิเสธน่าจะดีใจลูกหลานกูได้เป็นรอซูลอะไรประมาณนี้แล้วทำไมไปปฏิเสธมุฮัมมัดะสุภาน้ลลอก แ, แทนที่จะดีใจพระอัลกุรอานถูกประทานลงมาด้วยภาษาของชาวกุรไรชแต่กลับไปปฏิเสธอัลกุรอานกลับกลายเป็นว่า แทนที่จะได้รับผลประโยชน์กลับกลายเป็นไม่ได้รับอะไรเลยเพราะไม่เอาอัลกุรอานและไม่เอามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะก่อนหน้านี้อารับไม่เคยมีคำพีไม่เคยมีรอซูลแล้วอยู่อยู่อัลตัลละก็ประทานรอซูลมาประทานคำพีมาพวกเขาน่าจะดีใจน่าจะถูกต้องกว่า ควรจะสนับสนุนมูฮัมหมัดน่าจะถูกต้องกว่าแต่นี่กลับมาปฏิเสธมูฮัมมัดแล้วกลับมาปฏิเสธคำพีกับอัลลอส์ سبحانه และแล้วยังใส่ข้อกล่าวหาหนักๆใส่ข้อกล่าวหาใส่ร้ายท่านนาบีสุล ล, ล์ละสุลแลมต่างๆนะทำไมพวกเขาไม่คิดสุบฮ า, านะละให้เราให้เราดูวิธีการที่อัลลสาะละสาลบานสื่อาสารกับคนเหสล่านี้ว่าไม่ใช้สติปัญญาในการคิดเลย ทำตัวโอหังเย่อหยิ่งกับ Allah กับคำพีของพระองค์กับรอสูลของพระองค์ซึ่งผลสุดท้ายของบรรดาคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ก็คือหนีไม่พ้นการลงโทษของ Allah س ب ح ا ล ه แ ล, ละก็ยกอุทาหอนให้พวกเขาได้สกิดเตือนพวกเขาว่ากาบอลละรีนมินกับลิฮิมประชาชาตติต่างๆก่อนหน้าพวกเขาเนี่ย เคยปฏิเสธมาก่อนแล้ววมาูมอชารมตนฮมถ้าจะเอามุชริกินกับพวกประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยเอามาเทียบกันเนี่ยถามว่าพวกมุชริกินเนี่ยมีอำนาจหรือเอาไปเทียบได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เอาพวกกเรชไปเปรียบเทียบกับพวกของนบีฮูดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอาหรับ พวกอาดหรือเอาไปเทียบกับพวกนบีซอดแหละพวกสมูทที่อยู่ทางตอนเหนือปัจจุบันนี้เวลาที่เขาไปอัลอลาใครเคยไปบ้างแลวต่อสักเคไปอังมังตะบุกไปดูบ้านของพวกอลอลาที่เขาแตะสลักหินนะ่ะนั่นคือที่ของพวกนบีนบีซอหละพวกสมูทเอาพวกมุชลิกินไปเปรียบเทียบคนเหล่านี้เทียบกันไม่ได้เลย คนสบายอดีตเขาแข็งแกร่งกว่ามีอำนาจเยอะกว่าแล้วแต่าลาบอกว่ามาบาลูมชาร์เอากุเรชไปเปรียบเทียบกับประชาชาติก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถึงส0เอซแมชาร์เนี่ยบางทัานซีรบอกว่าหมายถึง1ิบในร้อยก็คือส0บตบางทัาซีรบอกว่า10 1สในพัน สิบในพันนเท่าไหร่เอ่อไม่ไม่ใช่สิบในพันไม่ใช่สิบในพนแม่ชาติหมายถึงหนึ่งส่วนสิบของสิบเปอร์เซนหนึ่งส่วนสิบของสิบเอร์เซ็นก็คือหนึ่งเปอร์เซนหนึ่งเปอร์เซนหรือบางัศสิยมบอกว่าหนึ่งส่วนสิบของสิบของสิบก็คือหนึ่งในพันเทียบกันไม่ได้ คือตัวเราเนี่ยเราสูงแค่ประมาณไหนอ่ะประมาณไม่เกินสองเมตรอ่ะมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้สูงสุดก็หนึ่งหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหรือสองร้อยเซนติเมตรอ่ะแล้วไปดูสิบ้านของพวกสมุนไปสักครั้งถ้าใครมีตังค์ไปดูสักหน่อยนะไปเที่ยวอโอลาแล้วไปดูนี่เขาเปิดให้ไปเที่ยวแล้วเทียบกันไม่ได้เขาอยู่กันยังไงห้องโถงถ้าไปเองไม่ได้ก็ลองเปิดคลิปเปิดอะไรดูนั่นแหละ แล้วคนเหล่านั้นเนี่ยก็ตาลาทาลายมาหมดแล้วที่เคยมีอํานาจมาในอดีตเนี่ยไม่มีใครรอดสักคนแล้วตัวเองตัวเล็กขนาดนี้คิดว่าจะรอดจากการลงโทษของละตาลาหรือเป็นคําเตือนนะว่าคนที่เคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามาบารูมอชารมาอาไตนาพวกเจ้าเนี่ยเอาไปเทียบกับพวกเขาไม่ได้เลยแต่ว่าฟัดกะจับูรุษุลีคนเหล่า น, านั้นปฏิเสธรอซูลของเรามาก่อน ฟากาฟากา น, นาณาคีตพวกเจ้าเห็นไหมว่าเราลงโทษเขาอย่างไงพวกอารโดนลงโทษยังไงพวกสมุดโดนลงโทษยังไงปุรชรู้ดีเพราะปุรชต้องเดินผ่านเวลาเดินทางไปค้าขายเวลาไปค้าขายประเทศยามันต้องเดินผ่านพวกอารเวลาไปค้าขายประเทศชามต้องเดินผ่านพวกสมุดรู้ดีว่าคนเหล่านั้นเคยตายมายัางไงแล้วด้วยความหญิงเยโสแล้วตัวเองก็ยังทําตัวเหมือนกับคนเหล่านั้นอกีกนี่คือ คำเตือนแก่บรรดาผู้ที่ปฏิเสธและใส่ร้ายอัลล์ุฮานะฮะาลและท่านรอซูลของพระองค์สุลลัลลฮะลฮิวะัลลัมได้ละประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันตอนท้ายว่าสุดท้ายแล้วพฤติกรรมของพวกมุชรินและเนื้อหาของสุราตุสเบะรสรุปปรงมันเป็นยังไงอัลลอฮตาลอาลัมฟันัลลอฮอียคุมลิมาิุลลัลลฮนบีมุฮัมมัดอะลลฮิวะฮบีัลลัม سبحان ر ب كريم العزة أما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته